วันนี้จะพูดเรื่องโลกเรื่องโลกให้ฟังสักหน่อยคนไม่รู้จากโลกไม่รู้จากอารมณ์ไม่รู้จกาจกสมุติหลงโลกหลงอารมณ์หลงสมุติพากันมาเวียนว่ายตายเกิดจึงมาแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาสมตุตแบกเอาของไม่มีหลงว่ามันมีนี่นะจึงมาแบกเอา ไปเห็นบางวัดเขาก็ปั้นเป็นรูปนะรูปคนนี่ยแบกเอารูปโลกรลกใหญ่ๆอันที่เขาปั้นไว้กลมๆแบกเขาปั้นไว้เป็นปุคลาทิฐานให้คนเห็นว่าคนฉลาดน้อยเลยไปแบกเอางันแบกโลก อย่หลงมาเกิดอยู่เดี๋ยวนี้ก็เพราะว่ามาติดอยู่ในโลกหลงโลกหลงอารมณ์ถ้าวางโลกวางอารมณ์ได้ไม่มีไปเมื่อเกิดอยู่ที่วางไม่ได้เขาไม่รู้จักโลกไม่รู้จักอารมณ์จึงวางไม่เป็นคิดว่ามันมีอยู่ทีนี้โลกก็แบ่งออกเป็นสองอย่างคําว่าโลกโลกก็แบ่งออกเป็นสองอย่างอันหนึ่งเรียกว่าโอกาสโลก อันที่สองเ็เรียกว่าสัตว์โลกโอกาสโลกก็คือดินน้าลมไฟอากาศสัตว์โลกก็คือวิญญาณวิญญาณคือสัตว์โลกนี่แหละโลกสัตว์โลกก็มาอาศัยอยู่ในโอการโลกโอการโลกก็เป็นที่อยู่ที่อาศัยของสัตว์โลกน่และโลกภายนอกก็คือนอกตัวเราออกไปนี่ยะโลกภายในก็คือตัวของเราเนี่ยแหละ เข้าใจไหมตัวของเราโลกภายในก่อโอกาสโลกกับสัตว์โลกคือตัวของเรานี่ยมันไปหลงโลกไปติดโลกหลงว่าโลก่มีสัตว์มีคนมีตัวมีตนอยู่ในโลกถึงไปแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์คงเข้าใจคําว่าโลกก็คือโอกาสโลกและสัตว์โลกรวมกันเรียกว่าโลกโลกน้ําลมไฟอากาศ ถ้าห้ายอย่างนี้เรียกว่าโอกาสโลกตีความหมายให้มันชัดเจนซะก่อนแยกทําความเข้าใจให้มันนั่นซะก่อนสัตว์โลกก็คือวิญญาณคือตัวเรานะอาศัยอยู่ในโลกนี้โลกภายในก็คือตัวของเราโลกภายนอกก็นอกจากตัวของเราเออกไปคนมาหลงโลกหลงก็หลง่ หลงโลกเขาโลกเรานี่นะหลงภูเขาภูเราเนี่ยนั่นเป็นตรงที่อื่นหลงหนังหลงขนหลงเล็บหลงฟันกันนี่แหละว่ามันสวยมันงามหลงโรกเอาที่นี่ก็ตานี่ก็คือสัตว์โลกภายในคือโลกภายในนี่โลกภายในเนยโลกภายนอกคือนอกตัวเราออกไป ต้องต้องให้มันชัดเจนอันนี้ตาถ้ามองมองไปกระทบกับโลกภายนอกโลกภายนอกคือรูปภายนอกถ้ามองไปเห็นต้นไม้ภูเขาเรากามองไปเห็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตที่มันปรุงแต่งกันขึ้นลมดินน้ำลมไฟปรุงแต่งกันขึ้นก็มองเห็นโอกาสโลก ต้องเข้าใจอย่างนี้นั่นคือโอกาสโลกบอกเจ้าของบอกตัวเองคือโอกาสโลกถ้ามองเห็นหมูเห็นมาเป็นเห็นวัวเห็นควายเห็นคนเห็นสัตว์ก็เรียกว่าสัตว์โลกนั่นแหละคือสัตว์โลกถ้ามองเห็นสิ่งไม่มีชีวิตก็เรียกว่าโอกาสโลกโลกภายในกับโลกภายนอกโลกภายในคือตา โลกภายนอกที่สิ่งคือสิ่งที่เรามองเห็นโลกภายนอกกับโลกภายในกระทบกันความรู้เกิดขึ้นก็เรียกว่านามเรียกว่าใจโลกภายนอกกับโลกภายในกระทบกันวิญญาณตาเกิดขึ้นวิญญาณหูเกิดขึ้นเรียกว่านามโลกภายนอกโลกภายในกระทบกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเรียกว่าโลกเกิด กับดับพร้อมกันมันเกิดอย่างนี้โลกมันเกิดอย่างนี้รูจากโลกเกิดไหมเนี่ยอริยธรรภายนอกภายในกระทบกันตากับลูกกระทบกันริญญาตาลูกขึ้นก็เรียกว่าโลกเกิดเกิดกับดับพร้อมกันเห็นปับ๊บนามสี่ว่าเกิดแล้วก็ดับเรียว่าโลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมออย่างนี้ ถ้าเราไปรู้ไม่จริงหลงว่าสิ่งที่เรามองเห็นสิ่งที่เรามองเห็นเป็นสิ่งที่เราเราไม่รู้จักว่าโลกไม่รู้จักว่าโอกาสโลกไม่รู้จักสัตว์โลกเราจึงไปกำหนัดไปขัดเคืองหรือยินดียินายในโลกนี่แหละในโลกนในอารมณ์นี่แนะ่ะ พอมันเห็นแล้วก็เกิดอารมณ์น่หลเหว่าในยินดียิน้ายกำนัดขัดเครืองในโลกในอารมณ์นี่แหละเป็นเหตุใ ห, ให้เกิดทุกข์เราจึงไปอุปทานเอาไปยึดไปถือเอาด้วยความหลงว่ามันมีเป็นธาตุกายสิทธิ์มีสิ่งที่มีชีวิตตัวตนอยู่ในนั้นก็เลยไปยึดไปถือเอาเพราะรู้ไม่จริงเพราะหลง นะยิงไปแบกเอาโลกนั้นแบกเอาอารมณ์นั่นแบกเอาสมุติไปแบกเอาอันไหนมันก็หนักกันนั้นยิ่งเป็นทุกข์เข้าใจไหมเลยนะนี่แหละทุกข์เกิดขึ้นทุกข์ตั้งอยู่ทุกข์กดับไปออันที่สองก็หูหูก็คือสัตว์โลกภายในคือตัวของเราเสียงคือโลกภายนอก ถ้าเป็นเสียงลมพัดเสียงฟ้าร้องเสียงสิ่งที่ไม่มีชีวิตก็เรียกว่าเสียงนั่นเป็นเสียงของโอกาสโลกมันกระทบกันดังขึ้นมาเรียกว่าโอกาสโลกถ้าได้ยินเสียงคนเสียงสัตว์เสียงนกเสียงสิ่งที่มีชีวิตเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายก็เรียกว่าสัตว์โลกเสียงสัตว์โลกมันก็มีแค่นี้เลย โลกภายนอกนะมากระทบกับโลกภายในแล้วก็เกิดความรู้ขึ้นเราก็จังไปกําหนัดไม่รู้ว่าโลกมันเกิดกับดับพร้อมกันอยู่อย่างนี้มันเป็นเองอย่างนี้เราจึงไปหลงโลกหลงในเสียงนั้นหลงในหูของเรานี่ยึ่งมากําหนัดขัดเครื่องในโลกในอารมณ์ ในสมมติเขากดสมมุติว่าเสียงนั้นเสียงนี้เฉยๆสมมุติว่าเสียงโอกาสโลกเสียงสัตว์โลกเฉยๆมากระทบเขา้าเกิดอารมณ์ยินดียินไายขึ้นมาอิทธารมอา น, นิทธิอมขึ้นมาเพราะเราไม่รู้จริงหลงหลงว่าเสียงนั้นมีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่หลงว่าหูของเราก็มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ ยังละมิจฉาทิฏฐิไม่ได้ก็ เ, เลยมาอุปทานเอาโลกแบกเอาโลกนี่แบกเอาอารมณ์แบกเอาสมมติคือมาอุปทานเอานั่นแหละมายึดมาถือเอานั่นแหละแบกเราจึงเป็นทุกข์ถืออะไรก็ทุกข์แบกอะไรก็ทุกข์หมดแล้แบกเอาโลกแบกเอาสมมติไม่รู้ว่าโลกไม่รู้ว่าสมมติเราจึงไปแบกเอาแต่เรารู้ว่าโลกเกิดกับดับพ้องกันเสมออย่างนี้ ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั่นเร า, าได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินไม่กำหนัดคือไม่ยินดีไม่ขัดเคืองคือไม่ยินไา่คือโกรธถ้ารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้มันก็ดับลงโลกเกิดกับดับพร้อมกันขั้นที่สองขั้นที่สามจะโมกจะโมกก็คือโลกภายใน ตัวของเราเนี่ยกลิ่นคันท่ลมอารมณ์คือกลิ่นกลิ่นก็คือโลกภายนอกกลิ่นหอมกลิ่นเหม็นกลิ่นอันนั้นอันนี้ถ้าเป็นกลิ่นของไม่มีชีวิตกลิ่นทุกข์กลิ่นเทียนกลิ่นน้าหอมกลิ่นอะไรก็ตามไม่มีชีวิตก็เรียกว่าโอกาสโลกแยกออกมันถูก ถ้าปินคนปิ่นสัตว์ปินสิ่งที่มีชีวิตก็เรียกว่าปิ่นของสัตว์โลกถ้าเราได้เป็นภรโสดาบันละสกยาทิฐิได้แล้วสบายละความเห็นผิดได้แล้วก็ความเห็นถูกต้องโลกภายนอกก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตวนเราเขานะปิ่นต่างๆโลกภายในคือตัวของเราก็ไม่ใช่บุคคลตัวตวนเราเขา เราจึงไม่ได้แบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์เขาสมมุติว่ากลิ่นอันนั้นปิ่นอันนี้สมมุติขึ้นมาเฉยๆเขาก็ไม่รู้จักว่าเขาเป็นกลิ่นอันนั้นกลิ่นอันนี้โลกมาสมมติขึ้นตั้งบัญญัติขึ้นเฉยๆว่ากิ่นอันนั้นกิ่นอันนี้ปิ่นทุกข์กิ่นเทียนกิ่นคนกิ่นสัตดก็เลยไปยึดถือเอา ว่ากลินคนจริงๆกิ่นสัตว์จริงๆริหอมดมกันอยู่นั่นแหละอ่านี่ทาให้เกิดอารมณ์จึงไปมาแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์อยู่เนี่ย <c ười> เอาสมมติว่ากินคนกลิ่นสัตว์สมมติว่ากลินน้ําหอมกลินอะไรก็ยึดถือเอาว่ามันหอมจริงๆมันเหม็นจริงๆอย่างนี้อ่อก็ๆๆออเลยมาแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาสมมติ ยิงทุกข์ยิงเกิดตัณหานะลาภะตัณหาลาภานุสัยก็ตามนอนถ้าปิ่นมันเหม็นปิ่นไม่ดีพอเกิดปฏิฆานุสัยคือความไม่ยินดีพอใจตามนอนคือกิเลสเนะพราะอะไรเพราะอวิชานุสัยเพราะความรู้ไม่จริงถ้ารู้จริงว่าติ่นนั้นก็ไม่ใช่สัตว์บุคคล ต, ต, ตลัวตนเราเขา จมูกของเราก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเป็นเพียงก้อนธาตุเป็นเพียงโอกาสโลกมาประชุมกันเฉยๆเราก็จะดับแล้วก็วางโลกวางอารมณ์นี้ได้เพราะนี่ว่านี่โลดเท่านั้นนี่โลดดับทุกปัญญาที่เอามารู้มาดับนี่ก็ได้เกี่ยมมักนั่นสติปัญญาหนะึ่มาจากมัด ต่อไปก็ลิ้นอันที่สี่ลิ้นก็คือโลกภายในสัตว์โลกภายในคือตัวของเราอาหารคือโลกภายนอกต้องเข้าใจอย่างนี้จะดับโลกนะถ้าไม่รู้จักโลกก็ดับโลกไม่ได้นะลิ้นคือโลกภายในคือตัวของเรา อ, อาหาร คือโลกภายนอกถ้าอาหารเป็นผักเป็นอะไรเป็นผลไม้เป็นอะไรก็เรียกว่าโอกาสโลกถ้าเป็นปลาเป็นกบเป็นเขียดเป็นวัวเป็นควายเนื้อวัวเนื้อควายเนื้อหมูเนื้อเป็ดเนื้อไก่ก็เป็นสัตว์โลกอาหารที่เกิดจากโอกาสโลกที่เกิดจากสัตว์โลกโลกภายนอกเนี่ยอันนี้คือโลกภายนอกไปกระทบกับลิ้นของเราคือโลกภายใน เกิดความรู้สึกนึกคิดขึ้นว่ามันอร่อยหรือไม่อร่อยว่ามันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้นะเราก็จะเกิดอุปทานเอาเนี่แบกเอาโลกยึดเอาเนี่ยถือเอาที่มันเกิดแล้วก็ดับนี่ยมันเกิดแล้วก็ดับมันกระทบกันแล้วเกิดแล้วก็ดับเกืนลงไปนำคอแล้วก็ดับเท่านั้นเรียกว่าโลกเกิดกับดับพร้อมกัน ท่านยกใส่ทุกนี่แหละคือทุกทุกอริยสัจจริงเป็นสิ่งที่ควรกําหนดรู้นั่นไม่มีอะไรอยู่ในอริอริยสัจสิ่รู้ว่ารดอันนั้นเป็นอันนี้ลดอันนี้เป็นอันนั้นไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในอาหารนั้นในรถนั้นลิ้นของเราก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาดูแจ้งแทงตลอดในขันห้า ในพระธรรมคำสอนนี่นะคําสอนของพระพุทธเจ้าถ้ามันเกิดขึ้นก็เรียกว่าทุกข์มันเกิดเองดับเองของมันเกืนลงไปลําคอแล้วก็ดับเกิดกับดับพร้อมกันอถ้าไปกําหนัดขัดเคืองไปยึดไปถือเอาจริงกําหนัดขัดเคืองก็เรียกว่าสมุทยัยนี่เกิดแห่งทุกข์เท่านี้ไม่มีอะไรนะนี่เกิดแห่งทุกข์ รู้เท่าเอาทันว่าโลกภายนอกอาหารพวกนั้นเขาทํามาบํารุงธาตุบารุงขันให้อยู่ได้เฉยๆเอาไปเลี้ยงเอาดินไปเลี้ยงกันเอาน้ําไปหล่อเลี้ยงเอาไว้ลงไปอยู่ได้อบํารุงธาตุบารุงขันเอาไว้พอให้อยู่ได้เฉยๆไม่มีตัวตนสัตว์บุคคลอยู่ในนั้นนี่ เขาเรียกว่านี่โลดเท่านัน้นดับทุกได้มันเกิดดับเลยลสอาหารเป็นกระทบดินโลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปก็เรียกว่าทุกถ้าไปกําหนัดขัดเครื่องในอาหารนั้นไปอุปทานไปยึดไปถือเอาก็คือสมุทัยเหตุเกิดเหตุทุกถ้ามารู้เท่าอาหารสัตว์แต่ว่าอาหาร ไม่มีสัตว์บุคคลอยู่ในนั่นตัวตนอยู่ในนั่นลิ้นของเราคือโลกภายในก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันกระทบกันเกิดขึ้นแล้วก็ดับก็เรียกว่านิโรดดับทุกได้ปัญญาที่มาลู่เท่าอันนี้ก็เรียกว่ามารมีองค์แปดตาหูจมูกลิ้นกายที่นินรอบของกายกายของเราคือ โลกภายในคือโลกภายในกายของคนอื่นคือโลกภายนอกถ้ามันไปกระทบกับเสือกับม้อนกับสัตว์กับต้นเสาอะไรก็เรียกว่าโอกาสโลกมันกระทบกับโอกาสโลกโลกภายนอกถ้าไปกระทบกับหมากับแมวกับคนกับสัตว์ทั้งหลายก็เรียกว่ากระทบกับสัตว์โลก สัตว์โลกกระทบกับสัตว์โลกภายในโลกภายในกับโลกภายนอกกระทบกันเกิดความเย็นร้อนอ่อนแข็งขึ้นมาโลกอะไรก็ไม่เท่าโลกผู้ชายโลกผู้หญิงนอนกระทบกันเบียดกันมันเกิดนี่นะมันเกิดขึ้นเกิดอารมณ์ขึ้นโลกไม่รู้ว่าโลกหลงหลงว่ามีสัตว์มีบุคคลอยู่ในนั้น หลงว่ามีตัวมีตนอยู่ในนี่คอยจึงไปกอุปทานไปยึดไปถือเอานนะัจึงมาเรียกว่ากำหนัดขัดเคืองหรือมาแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์เนะี่ยนั่นหมายาติดอยู่แค่นี้แหละไปไหนไม่ไดนะ้ติดอยู่ในโลกติดอยู่ในอารมณ์ติดอยู่ในสมมตุติเอาสมมติว่าคนว่าสัตว์ว่าตัวว่าตนว่าเราว่าเขาก็ไปหลงว่าเราว่าเขาจริงจึงไปติดอยู่ในสมมุติ ยิ่งเรียกว่าไปแบกเอาโลกแบกเอาอารมณ์แบกเอาสมุทหรือไปอุปทานเอาก็คือเหตุเกิดแห่งทุกข์คือสมุทยัยท่านถ้ามันเห็นเกิดมันกระทบกันแล้วโลกภายนอกภายในกระทบกันแล้วเกิดขึ้นแล้วก็ดับเรียกว่าทุกข์ัดถ้าไปกำนัดขัดเพื่อนในหญิงในชายในสัตว์ในโลกในอารมณ์นี ก็เรียกว่าสมุทัยเกิดการมัตั์หาขึ้นมาแล้วนี่ยตัณหามันจะเกิดขึ้นมาความลักความชังเกิดขึ้นมาเรียกว่าตัณหาตามมัตต์หานี่มันเกิดนี่เรียกว่าสมุทัยเมื่อดับตัณหาละตัณหาหรือว่าสัตว์โลกภายนอกภายในไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นมันกระทบกันเกิดแล้วก็ดับ เป็นจริงของมันอยู่อย่างนี้ก็ละไม่กําหนัดขัดเครืองในโลกในอารมณ์ก็คือละสมุ ท, ทยัยสมุทัยเป็นสิ่งที่ควรละเราละได้แล้วปหาหนะคือละไปวางเราละได้แล้วเราวางได้แล้วไปนี่นั่นที่เราสวดอยู่ในนั้นอืมมันก็มีแค่นี้ถ้าละได้ดับได้ก็เรียกว่านี่โลด คือดับทุกข์ใโลกเห็นสัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตวแต่ว่าได้ยินเท่านั้นทราบสัตว์แต่ว่าทราบว่ากายไปกระทบความเย็นร้อนอ่อนแข็งกระทบกับหญิงกับชายกระทบกับเสือกับมอนกระทบกับร้อนกับหนาวก็สัตว์แต่ว่าทราบสัตว์แต่ว่าทร า, า, าบไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้น ไม่กำนัดไม่ขัดเกรื่องในโลกในอารมณ์ในสมมตินี้เราก็ดับสมุติได้ก็เรียกว่านี่โลภเท่านั้นปัญญาที่เอามารู้เท่าเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่ามารมันมีแค่นี้ดับด้วยปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจสี่นี่นะเล็งเห็นอริยสัจสีี่จะดับได้เรียกว่าโล ก, กุตตะละปัญญาอันสุดท้ายก็คือทำอาร ม, รม ขัน ท, ที่หกธรรมะคือใจอารมณ์อารมณ์พวกนี้มันก็เกิดจากโลกภายนอกภายในกระทบกันผ่านมาเป็นอดีตผ่านมาแล้วไปกระทบกับหญิงกับชายไปกระทบกับโลกภายนอกภายในกระทบกันะเกิดสัญญาความจําได้หมายรู้เอาไว้เอาไว้ในจิตในใจของเรา มันไหลออกมาจากจิตจากใจความจำได้ไหมรู้อารมณ์เก่านั้นไหลมาก็ทำให้คิดถึงกันทำให้คิดถึงศาสตร์ถึงหมอนไปภาวนาอยู่ใกล้ๆก็มองเห็นหมอนก็เข้าไปแบกหมอนนะ <c oughs> โลกภายนอกภายในกระทบกันเกิดทำอารมณก็คือรูปภายนอกก็คือโลกภายนอ ก, ก, อ ก, นอกส่วนมโนใจของเราก็คือโลกภายใน สัตว์โลกภายในมันกระทบกันรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ดับเรียกว่าโลกเกิดกับดับพร้อมกันเสมอนะภิกษุพระพระองค์ตัดเอาไถ้าคิดไปถึงบ้านช่องห้องหอคิดถึงสิ่งที่ไม่มีชีวิตอารมณ์พวกเพียมันไหลออกมาก็เรียกว่าโอกาสโลก ถ้าคิดไปถึงหน้าลูกหน้าร้านหน้าคนหน้าสัตว์เขาเรียกว่าคิดไปถึงสัตว์โลก ม, มันเกิดขึ้นที่มนโนภาพจิตก็ใช้เป็นภาพออกมาเป็นหน้าคนหน้าสัตว์หน้ า, นาสิ่งหน้าของที่เราคิดไปถึงมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับเท่านี้โลกเกิดกับดับป้องกันอย่างนี้ถ้าเราไปหลงโลกหลงอารมณ์ก็ไปยึดไปถือไปแบกเอา ถ้าเรารู้ว่าโลกภายนอกันเป็นสัญญาอารมณ์ความนึกคิดปรุงแต่งเกิดขึ้นมาเฉยเฉไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนอยู่ในนั้นธาตุขันมันทํางานอยู่นั่นไม่อุปทานเอาขันธ์ห้าไม่อุปทานเอาโลกเอาอารมณ์รู้ว่ามันเกิดดับอยู่นั่นก็เรียกว่าทุกข์ยกใส่อริยสัจสี่ทุกข์มันเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป เรียกว่าทุกข์ถ้าเราไปหลงว่าอารมณ์ที่เราเห็นนั่นมีเป็นลูกสัตว์ลูกคนลูกอะไรขึ้นมาสัญญาเก่านั้นว่ามีตัวตนสัตว์บุคคลเราไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่ามีเกิดแห่งทุกข์คือสมุทยัยเมื่อเรามารู้เท่าว่าโลกภายนอกโลกภายในว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา ไม่มีอะไรไม่ไปแบกไปยึดไปถือเอาก็เรียกว่ามีโลดดับทุกข์เท่านั้นความรู้เท่าเอาทันเกิดขึ้นเข้าใจว่าไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในโลกในอารมณ์นั้นก็คือมรรคคือสติปัญญามีดับโลกวิธีดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติ ไม่มายึดมาถือเอาโลกมาถือเอาอารมณ์มาถือเอาสมุติเห็นว่าพวกนี้เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาหรือเห็นว่ามันเกิดขึ้นนี่มันเกิดขึ้นมันดับมันเกิดมันดับนี่แหละคืออริยสัจอริยสัจสีที่พระพุทธเจ้าตรัสรู้นั่นะ โลกเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโลกเกิดกับดับพร้อมกันมีเรียกว่าทุกข์หากเราไม่รู้แจ้งซึ่งโลกหลงว่าโลก ม, มีสัตว์มีบุคคลตัวตนเราเขาอยู่ในนั่นเราจึงไปอุปทานเอาเรียกว่าสมุ ท, ทยัยถ้าหากว่าเรามากําหนดรู้ว่าในโลกภายนอกหรือโลกภายใน ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเพียงแต่โลกธาตุขันธ์มันทำงานตาหูจมูกลิ่นกายใจมันทำงานเฉยๆว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเราก็ดับโลกดับอารมณ์ได้ก็เรียกว่านี้โลดดับทุกข์ปัญญาที่เอามารู้เท่าเข้าใจนี่ของเอามาจากมรรคจากศีลสมาธิปัญญามรรคมีวงแปด เป็นสิ่งที่ควรทำให้มากจะเลินให้มากทำไว้ให้มากเพื่อจะมาให้มันเกิดสติปัญญามาดับทุกข์นี่แหละการดับโลกดับอารมณ์ต้องมารูแจ้งซึ่งโลกคือโลกกับวิถูรูแจ้งซึ่งโลกโลกมันก็มีอยู่สามอย่างกรรมมาโลกรูปโลกอรูปโลกโลกทั้งสามว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขา โลกมันเกิดกับดับพร้อมกันเป็นอนิจจังทุกครั้งอนัตตามันไม่เที่ยงนั่นแหละโลกไม่เที่ยงไม่เที่ยงก็คือมันเกิดแล้วก็ดับอยู่นี่โลกนี่ทันยิ่งกว่าโลกไม่เที่ยงโลกคืออะไรกันโลกก็คือกายกับใจโลกภายนอกคือตาหูจมูกดิ้นกายใจโลกภายในตาหูจมูกดิ้นกายใจ โลคภายนอกก็คือรูปเสียงต่นรถปวดท พ, พะธรรมลมมันกระทบกันเกิดแล้วก็ดับหมายถึงว่ามันไม่เที่ยงไม่ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับเป็นอนิจจังก็ว่าไม่เที่ยงก็ว่าทุกขังมันเกิดแล้วต้องดับทนอยู่ไม่ได้ทุกขังอนัตตาไม่อยู่ใต้บงังคับบัญชาของใครมันเกิดแล้วก็ดับ ห้ามไม่ให้มันเกิดก็ไม่ได้ห้ามไม่ให้มันดับก็ไม่ได้มันเกิดเองดับเองเป็นความจริงของสัจจะคือความจริงนี่เนี่อริยสัจสี่เรียกว่าโล ก, กุตละปัญญาดับโลกดับอารมณ์ดับสมุิด้วยอริยสัจสีด้วยปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจสีนจึงจะดับได้โลกิยะปัญญาดับไม่ได้ ดับด้วยโลคุตตะปัญญาโลคุตตะปัญญาคือปัญญาที่ทัศนาเล็งเห็นอริยสัจสี่ยิงดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติได้เมื่อดับโลกดับอารมณ์ดับสมมติได้ก็หมดที่จะพูดกันโลกนี้ดับโลกได้โลกนี้ก็ไม่มีเท่านั้นถ้าโลกนี้ไม่มีโลกหน้าจะมีไม่หรอฮึ โลกหน้าก็ไม่มีโลกไหนๆก็ไม่มีถ้าโลกนี้มีถ้าเห็นว่าโลกมีสัตว์มีคนตัวตนมีโลกมีโลกหน้าก็ต้องมีโลกไหนๆก็ต้องมีเื่อเาถ้าดับโลกได้รู้ว่าโลกนี้ไม่มีโลกปัจจุบันไม่มีโลกในอนาคตจะมีไหมโลดโลกในอดีตจะมีไหม ท่านจึงให้พิรนาให้รู้เท่าเข้าใจให้รู้เห็นตามความเป็นจริงคือให้เห็นอริยสัจสี่นั้นความจริงอริยแปลว่าประเสริฐสัจจะคือความจริงความจริงอันประเสริฐที่อย่างไม่มีใครแก้ไขได้มันเกิดเองดับเองเป็นเองของมันอยู่อย่างนี้จึงเรียกว่าสัจจะ อันประเสริฐความจริงอันประเสริฐพระพุทธเจ้าประดัดสรู้ด้วยอริยสัจสีนี่แหละไม่เป็นรู้ที่ไหนหรอกเราก็เป็นอนุพุทธะเป็นพระพุทธเจ้าหน่อยอนุแปลว่าหน่อยแปลว่าน้อยเป็นผู้รู้ตามเห็นตามจึง เ, เรียกว่าอนุพุทธะหรือท่านเรียกว่าพระศีนาสาวะ พระชีนาศหรือเรียกว่าพระอรหันต์ไม่หันนะคอไม่หันไม่หมุนนั่นนี่อรหันต์เห็นก็สัตย์แต่ว่าเห็นเท่านั้นได้ยินก็สัตย์แต่ว่าได้ยินคําว่าสัตย์แต่ว่านต้องเข้าใจว่าสิ่งที่เราได้ยินก็ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหูของเราก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหูมันทําหน้าที่เฉย อินทรีย์มีความเป็นใหญ่ในการเห็นในการได้ยินเฉยๆได้ยินแล้วก็ไม่กำหนัดขัดเคลื่องวางโลกวางอารมณ์ได้วางสมมติได้ประโมดเรื่องเท่านั้นโลกนี้ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มีโลกในอดีตก็ไม่มีขันในอดีตก็ไม่มีขันในปัจจุบันก็ไม่มีโลกในปัจจุบันก็ไม่มีโลกหน้าก็ไม่มี เราจึงไม่ได้ไปแบกเอาโลกแบกบเอาอารมณ์แบกบเอาสมุติ ก, ททก็ทำที่สุดแห่งทุกได้ทำที่สุดแห่งทุกได้ที่สุดแห่งทุก์คือการไม่ยึดไม่ถือคือไม่ไปแบกเอาโลกแบกบเอาอารมณ์นั่นละแบกบเอาสมุตินั่นลนะ่ะทำที่สุดแห่งทุกเห็นก็สัตว์แต่ว่าเห็นได้ยินสัตว์แต่ว่าได้ยินทราบทาง จะหมูกลิ้นกายก็สัตว์แต่ว่าทราบเฉยๆรู้ว่าคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ทางธรรมลมทางใจก็สัตว์แต่ว่ารู้เฉยๆไม่กำหนัดขัดเคืองหรือไม่ยินดียินร้ายพรารู้เท่าเข้าใจว่ามันว่างโลกว่างจากสับุคคลตนเราเขาจริงว่า ทำจิตให้นิ่งให้ว่างอยู่ไม่กำหนัดขัดเครืองนี่แหละเรียกว่ามัชชิมะปฏิปทาข้อปฏิบัติให้ถึงความเป็นกลางคือไม่กำหนัดไม่ขัดเครืองไม่ยินดีไม่ยินร้ายเหตุเพียงเท่านี้นั่ะเรียกว่าพระนิพพานเข้าใจบ้างไหมนี่เอาล่ะหมดเวลาพอแล้ว รู้จักไม่ละโลกเหรอเนี่ย่เป็นรัตดาฟังนี่เป็ื้อไม่รู้จักโลกไม่รู้จักอารมณ์ไม่รู้จักสมมติว่าเฮ้ฟังดูเท่าไรก็แห้งหูหนวกนี่ละโลกใบน้อยนี่ละโลกตามละโลกก็อยู่นี่ถ้าเข้าสมาธิได้ก็เรียกว่ารูปโลกถ้าเข้าถึงอรูปฌานก็เรียก่อรูปโลกเท่านั้นโลกกับวิทรู้แจ้งถึงอโลกโลกเนี่ย นี่แหะนั่งอยู่นี่แหะการมโนกก็อยู่นี่รูปโลกคือสมาธินี่ก็อยู่นี่ดับขันห้าได้ชั่วครู่ชั่วคราวจิตก็ไปท่องเที่ยวอยู่ในรูปฌานรูปสมาธิก็เรียกว่ารูปโลกถ้าจิตว่างมีแต่นามไม่มีรูปก็เรียกว่าอรูปโลกโลกใบนี้นี่ซ้อนกันอย่อยางนี้นะ่ะโลก รู้จักโลกรู้จักอารมณ์รู้จักสมมติแล้วก็สบายเข้าใจบ้างไหมล่ะไม่ อ, อ่อนนะรู้จักโลกไหมล่ะสิเนี่ยโลกกับวิถูนี่นะ่ะรู้แจ้งซึ่งโลกก็รู้แจ้งซึ่งขันห้าโลกกับขันห้าคืออันเดียวกันบางทีท่านก็เรียกว่าโลกบางทีก็เรียกว่าขันห้า โลกโลกไม่เที่ยงมักขันหามันไม่เที่ยงมันเกิดมันดับนั่นแหละโลกมันเกิดกับดับพร้อมกันนั่นจึงว่าไม่เที่ยงเข้าใจนะ<ล>ออพระก็เข้าใจโยมก็เข้าใจก็ต้องเข้าใจจึงจะดับโลกได้ดับอารมณ์ได้ฝึกสติยืนเดินนั่งนอนถ้าโลกภายนอกกับโลกภายในกระทบกันต้องฝึกสติดูเท่าเอาันมัน ว่าโลกนี่ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโลกภายในโลกภายนอกก็ไม่มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขามันต้องเป็นพระโสดาบันขึ้นมาละสักยทิฏฐิได้เสียก่อนอันเนี้ยมันถึงจะรู้ว่าขันห่าว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาโลกว่างจากสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาได้ถ้าไม่เป็นพระโสดาบันยังเป็นไม่ได้เนีมาเป็นอย่างอื่นมันก็ความเขียนผิดยังมีอยู่เข้าใจไหม ความเห็นถูกต้องยังไม่มีปัญญาเรายังไม่พร้อมตัดโลกตัดอารมณ์ออกไม่ได้ก็แบกเอาโลกโกรธให้เขาอยู่่นี่ะใช่หัหยล่ะนี่แหละแบกโลกแบกความโลกความโกรธนี่นละที่เทศวันนี้ก็อยากให้รู้จัก ด, ดับด้วยอริยสัจสีนะะั่นแะดับโลกดับอารมณ์สมมุติได้ดับด้วยปัญญาโลกุตตะละปัญญา ปัญญาที่เล็งเห็นอริยสัจ ส, สีท่านเรียกว่าโลกุตตะลปัญญาปัญญาธรรมดาท่านเรียกว่าโลกยิยะปัญญามันดับไม่ได้โลกุตละปัญญาโลกุตตะลปัญญาปัญญาที่ทัศนาะเล็งเห็นอริยสัจสี่จึงดับโลกดับอารมณ์ดับสมมุติได้เห็นวิโล c, c, aine, กภายนอกภายในกระทบกัน Spirit, เกิดแล้วก็ดับนี่แหละทุกข์คืออริยสัจจริง เป็นสิ่งที่ควรกำหนดรู้เราต้องกำหนดรู้ว่าโลกภายนอกภายในมีสัตว์มีคนมีตัวมีตนอยู่ในนั่นจริงไหมควรจะไปยึดไปถือจริงไหมยึดได้ถือได้อยู่หรือมันมีสัตว์บุคคลมันมีอะไรมันเกิดขึ้นแล้วก็ะดับเท่านั้นแล้วต้องทำความรู้เท่าเข้าใจอย่างนี้ยิงเรียกว่ากำหนดรู้ถ้ารู้เท่าเข้าใจอย่างนี้ก็รู้แล้ว ปริญญาคือรู้แล้วปัญญาตีปริญญาโทษปิญญาเอ ก, กอยุ่นี้นะโดเอื่นปริญญาคือรู้แล้วรู้แจ้งซึ่งโลกรู้แจ้งซึ่งอารมณ์แล้วออืดับโลกดับอารมณ์ได้จึงเรียกว่าปริญญาอาจารย์ว่าไเนี่ยปัญญเยยคือคนกันหนดรู้ปิญญาเรารู้แล้วนี่แค่นี้แหละไม่มีอะไรทร้ทําไปอะไรมาแปดปีเก้าปีก็อยู่แค่นี้ ดับโลกรับอารมณ์ได้ก็หมดเลื่อนเท่านั้นไม่มาเกิดอีกแล้วอา้าวเอาละหาเลิกเลยไหถ้าไม่มีอะไรจะถาม